รัพินตกเป็นเป้าสายตาที่จ้องมาเป็นตาเดียวกันจากคนผิวขาวสี่คนซึ่งนั่งคุยกันเงียบๆอยู่ก่อนแล้วเพียงชั่วการมองผ่านๆในพริตตาแรกรับพินไฟวันยังสังเกตอะไรไม่ได้มากนะักนี่คือบคุคคลที่เราต้องการความช่วยเหลือจากเขาครับเขาชื่อรับพินไพรวัน ท่านเจ้ากลมข่าวซึ่งยืนอยู่กลางห้องเคียงข้างบุตรชายกล่าวแนะนําขึ้นลอยๆเป็นภาษาอังกฤษชายสองคนลุกขึ้นยืนทันทีเดินตรงเข้ามาส่งมือให้เขาจับและเขย่าแรงๆทีละคนท่านใหญ่ยังไม่ได้พินิษพิจารณาอะไรให้ละเอียดนักนอกจากมองผ่นานๆด้วยสีหน้าเยือกเย็นของเขาและจับมือด้วยโดยมารยาทดีใจมากครับที่ได้พบคุณระพ หนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นเป็นภาษาไทยแม้จะไม่ชัดเจนนะแต่รูปประโยคก็บอกชัดว่ามีการศึกษาในภาษาไทยมาดีพอสมควรทีเดียวจากภาษาไทยห้าวๆนั่นเองทำให้จอมพรานมองหน้าด้วยสายตาตรงบุรุษผู้นั้นวัยประมาณสี่สิบห้าหรือสี่สิบหกปีสูงถ้าไม่ถึงหกฟุตก็เฉียดไปตาสีฟ้าผมสีทอง อยู่ในชุดนักท่องเที่ยวที่ตะเวนเมืองร้อนธรรมดาไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นผิดปกติไปจากชาวอเมริกันทั่วไปเว้นแต่ในแววตาลึกและหน้าผากมีริ้วย่นอย่างนักคิดสิ่งที่ระพิน ข, ขัดขัดตาก็คือรอยยิ้มบางๆที่เขาเห็นเหมือนรอยแห่งการหมิ่นหมิ่นอยู่ในทีส่วนชายอีกคนหนึ่งนั้นล่ำสันแข็งแรง ตัดผมเกลียนแบบ G.I. สวมเชิดม้วนแขนเป็นปั้นขึ้นมาเห็นกล้ามที่แขนราวกมัดเข้าต่มทรงเหมือนหมีควายกรอบตาลึกเขาเขียวตัดกับผิวหน้าสีแดงำํำอายุคงไม่เกินสี่สิขนที่แขนรุงรงังท่าทางจะเป็นนักล่ามนุษย์ในสนามรบมาแล้วหรือถ้าไม่ใช่โดยตรงก็คงมีการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยม แต่ผมไม่ดีใจเลยที่ได้พบพวกคุณครับรบพินพูดไทยช้าๆน้ำเสียงเน้นหนักชัดเจนหวัดดีทีเซคนหนุ่มกว่าหันไปถามท่าทางตื่นตื่นถามผู้ที่มีลักษณะเหมือนหัวห น, านา้าคณะผู้ซึ่งยืนเบิกตานิดนิดพร้อมรอยยิ้มเช่นเดิมรพินหันไปมองดูคนถามแล้วยืนเฉยเหมือนจะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น อเมกิกันผู้เป็นหัวหน้าคณะไม่ได้ตอบอะไรนอกจากยักไหลนิดนึงพลโทวิชัยรีบกล่าวแท้ขึ้นในทันทีว่าคุณระพินผมขอแนะนำเสียเลยนะนี่คือหัวหน้าคณะท่านนายผลหมายถึงคนที่เอาโสที่สุดผู้ที่ระพินไม่ชอบรอยยิ้มท่านผู้นี้ชื่อวักบินสแตนลีย์ ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์และการบินส่วนอีกคนหนึ่งนี่คือพันเอกลารี่คีตนายทหารเสนาธิการจอมพรานยืนหน้าตายอยู่เช่นนั้นเพียงแต่พยักหน้าให้นิดนึงเสียงนายคีตผู้มีท่าทางเป็นนักเลงทั้งตัวร้องออกมาอีกว่า Can you speak English เอาแล้วคุณล่ะคุณพูดไทยได้ปะ ระพินหันไปถามเป็นภาษาไทยหน้าตาเฉยเสือนั่นหัวเราะออกมาและตอบเป็นภาษาไทยแป่งๆกว่าคนแรกกว่าพมพูดได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็หันมาพ่นภาษาอเมริกันกระเชิดวูดเร็วปรือแย่หน่อยนะถ้าเขาพูดอังกฤษไม่ได้แล้วเราจะร่วมงานกันไม่สะดวกนะ ท่านรีเชิร์ดพุทธหัวเราะหึห่หถามว่าคิดคุณพูดได้กี่ภาษานะภาษาเวียดนามผมพูดได้คล่องกว่าภาษาไทยแล้วก็ญี่ปุ่นพูดได้อีกนิดหน่อยเออตานนั้นก็ขอให้รู้ไว้ด้วยนะคิดว่าชายคนนี้นะพูดอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันพมา่าแล้วก็ภาษาชาวเขาในแหลมอินโดจีนได้เหมือนภาษาไทยของเขาเอง ว้าวพระเอกลารีคิดทำตาโอในขณะที่ด็อเตอร์บิลลี่สเตลลีย์อ้าปากค้างวิเศษมากสิแล้วทำไมเขาไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษกับเราเลยโถ่ทำให้ผมอึดอัดใจแทบแย่ผู้เชี่ยวชาญทางอาวุธนิวเคลียร์อุทานออกมาคุณรพินน่ะเขาเป็นคนไทย ที่มีเลือดชาตินิยมมากคุณแต่คุณจะพูดอะไรกับเขาก็ได้ทั้งนั้นไม่ต้องห่วงรอกเขาเป็นคนมีการศึกษาดีเยี่ยมคนหนึ่งแต่ชอบอยู่ในปา่ามากกว่าอยู่ในเมืองท่านในพลพยายามกลบกลืนและประสานความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยสีหน้าที่ไม่สู้จะสบายใจนักพร้อมกับมองทางระพินยอย่างขอร้องเหมือนจะพูดว่าขอหเห็นกท่านเถ อย่าได้แสดงความไม่พอใจอะไรออกมาให้เป็นที่เปิดเผยจงแจ้งนะักรพินเมินหลบตาท่านนายพลไปพยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติหัวหน้าคณะกลาเข้ามาจับมือเขาไว้อีกครั้งนี้พูดเป็นกันเองขึ้นคุณรพินครับถึงผมจะพูดไทยได้ไม่คล่องเหมือนภาษาอังกฤษภาษาของผมเองแต่คุณคงไม่ถือนะครับถ้าหากผมจะใช้ภาษาอังกฤษกับคุณ พวกเรามาพบคุณอย่างมิตรครับแล้วหวังในความช่วยเหลือของคุณอย่างยิ่งถ้าหากว่าคุณตกลงใจที่จะช่วยเราก็แปลว่าเราทั้งหมดจะมีชีวิตเสี่ยงอันตรายเท่าๆกันขอให้เรามาเป็นเพื่อนกันเะครับเอาละ่ะคุณไม่ต้องกังวลหรอกเราจะเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่ได้นะ่ะมันอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ง, งานแล้วผมเป็นคนซื่อสัตย์ต่อ ง, งานอย่างยิ่งครับ เฮ้บ๊อบ his English is very good ค <I think so much> ิดโวยขึ้นอีกจากนิสัยอันโผงผางสไตลียกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากร้องชิเหมือนใจเพื่อนของเขาสงบปากคำลกแล้วหันมาทางระพินอีกครั้งนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากครับคุณระพินและเราก็ต้องการเป็นอย่างยิ่งผมรู้ว่าคุณเป็นคนถือตัวไม่ใช่เล่นแต่ไม่เป็นไรครับ ต่อไปคุณจะรู้จักพวกเราดีว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีชนิดที่คุณจะลืมไม่ได้ทีเดียวสแตนลีย์พูดออกมาอย่างนั ก, กจิตวิทยาผมหวังว่าท่านนายพลคงจะบอกให้คุณทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องการความร่วมมือกับคุณยังไงบ้างครับแต่ก็ยังไม่ละเอียดนักหรอกแล้วผมก็รู้สึกว่าจะเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่เต็มใจก็าตาม รปินตอบโดยเร็วหัวหน้าคณะยิ้มออกมานิดนึงเลิกคิ้วน้อยๆแล้วบอกว่าอะเชิญทางนี้นะครับคุณรปินคณะของเรานี่ยังมีอีกสองคนที่จะร่วมทางไปด้วยนะครับเป็นสุภาพสตรีซึ่งรอคอยการมาถึงของคุณด้วยความกระวนกระวายใจไม่น้อยไปกว่าผมนะครับอเชิญครับแล้วหัวหน้าคณะกับนายทหารเสนาธิการก็เดินนําเขา้าเข้าไปยังโซฟาริมห้อง ซึ่งมีแม่สาวสองคนนั่งทอดกายในอิริยาบถตามสบายอยู่ตลอดเวลาที่พรานใหญ่โผเข้ามาและมีการพูจาทักทายกับสตรีและคิดทั้งสองมองจับนิ่งมาที่เขาตาไม่กระพริบแล้วเงียหูฟังตลอดเวลาเมื่อทั้งหมดก้าวเข้าไปอเมริกันสาวสองคนก็ขยับตัวนั่งตรงส่งยิ้มให้ก่อนแล้ว ลักษณะของสองหญิงตรงตามที่นายอัมพลกระซิบบอกข้าไว้ก่อนแล้วคนหนึ่งผมทองท่าทางสุขุมเยือกเย็นผิวขาวเป็นไข่บอกร่างสูงโปรง่งอีกคนหนึ่งผมออกสีแดงแดงผิวแดงคือคล้ำเล็กน้อยจมูกเชิดรั้นตาคมวาวมีแววร่าเริงอยู่เป็นนิดกะทัดรัดขนาดหญิงไทยร่าสูงสูงคนหนึ่งอกชะเงือมราวกบภูกเขา เสื้อคอวีกว้างลึกทำให้มองเห็นฐานดันล้นออกมาชนิดบราเซียที่ประคองอยู่แทบปริผมสยายยาวเคลียรย์ไหลหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์แนะนำแม่สาวผมทองก่อนนี่คือคริสตินาครูบิลนักเ ค, เคมีฟิสิกส์ครับส่วนนี่ก็อิสเบลมูเป็นแพทย์และนักธรณีวิทยาครับ ระพินก้มศีรษกให้สองหญิงนิดหนึ่งทั้งสองลุกขึ้นคนแรกผมทองที่ถูกแนะนำว่าเป็นนักเคมีและฟิสิกส่งมือให้เขาจับภาษาไทยชัดเปรี้ยผ่านออกมาจากริมฝีปากบางนั้นว่ายินดีค่ะคุณระพินนี่ฉัน ง, ง่ายๆว่าคริสแล้วกันคราวนี้พลันใหญ่เป็นฝ่ายอ้ปาปากค้างไปบ้างมองดูใบหน้างามอย่างเยือกเย็นยันเหมือนเห็นสิ่งมหัศจรรย์ชนิดหนึ่ง พอจับมือกับเขาเสร็จหล่อนก็ซึ้ตัวลงนั่งและแม่สาวผมแดงก็ยื่นมือมาบ้างพูดภาษาไทยเหมือนกันแต่ไม่ชัดนะักเรียกฉันว่าเบนนะคะง่ายดีเรารู้สึกยินดีที่ได้คุณเป็นคนนำทางฉันเคยรู้จักคุณมาบ้างแล้วละ่ะจากแมกกาซีนประเภทปืนและการล่าสัตว์ชื่อคุณน่ะดังไม่แพ้ว้ฮันเตอร์ในซัฟฟรี รู้สึกว่าในวงการพรานของโลกคุณจะติดอันดับหนึ่งในสิ์ของยอดพรานอยู่ด้วยนะ๋ออย่างงั้นเหรอครับเขาครางออกมาอย่าง ง, งุนงงเป็นเวลาเดียวกับที่สแตลีกดไหลเขาเบาๆบอกมาว่าสิดดาวยันตปนแม่ทั้งหมดนั่งลงที่เก้าอี้ชุดใหญ่นั้นนายอัมพลจัดการบริการเรื่องเครื่องดื่มเหมือนจะเป็นพนักงานต้อนรับ ไปด้วยในตัวอเมริกันทั้งสี่ดื่มแบรนดีกับน้ําเย็นกันอยู่ก่อนแล้วลักษณะเป็นนักดื่มจัดกันทุกคนที่เป็นคนหยิบแก้วเปล่ามารินแบรนดีและส่งให้เขาพยายามจะทํามิตรด้วยพระพินรับมาถือคลึงไว้ในมือมองหน้าอเมริกันชายหญิงทั้งสี่คนเรียงไปทีละคนแล้วเ อ, อ่ยเรียบเรียบว่าพวกคุณทั้งสี่คน สุภาพบุรุษสองสุภาพสตรีสองนี่น่ะละครับที่รัฐบาลของคุณคัดตัวให้มาทำงานในครั้งนี้อะทำไมเหรอคะคุณสงสัยอะไรเหรอแม่ผมทองสวดทรงราวกระดาราภาพยนตร์สวีเดนในอดีตหัวเราะเบาๆถามสวนมาระพินบุคคลเหล่านี้นะ่ะเป็นบุคคลชั้นหัวกะทิ ที่รัฐบาลสหรัฐคัดตัวมาแล้วทั้งสิ้นนะท่านนายพลเป็นผู้ตอบคำถามของเขาแต่สายตาของแม่ผมทองคริสที่ยังมองนิ่งมาที่เขาพร้อมกับเลือคิ้วน้อยๆเหมือนจะย้ำคำถามเดิมระพิงจึงบอกว่าพวกคุณส่วนมากในผู้ไทยได้ดีเหลือเกินนะครับไอลักษณะแบบนี้นะมันลักษณะของจารชนแท้ ก็บอกกันตามตรงอีกสักนิดไม่ได้หรอครับว่าพวกคุณทั้งหมดนี่ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญการในด้านใดทั้งสิน้นแต่ทุกคนก็ล้วนสังกัดอยู่ใน CIA ทั้งนั้นหัวหน้าคณะร้องออกมาว่าเวิแล้วยักไหลไม่พูดอะไรอีกทีเป่าลงแก้มโปง่งคริสยิ้มน้อยๆส่วนแม่เบลผมแดงหัวเราะเบา เราไม่มีความคิดอะไรในความรู้สึกของคุณเช่นนั้นหรอกคุณรพินแต่ขอบอกให้คุณเข้าใจด้วยนะภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่เราหมายถึงตัวชันเองแล้วก็คริสเลือกเป็นวิชาที่จะเรียนตั้งแต่อยู่ในปีแรกของมหาวิทยาลัยแล้วส่วนด็อกเตอร์บินสเตลลีเป็นอัจฉริยะบุคคลในทุกด้านแม้กระทั่งด้านภาษาเพราะก็พูดและก็เขียนได้ถึงหภาษา ส่วนคิดในแย่หน่อยเขาพูดเวียดนามแต่ถูกผู้หญิงเวียดนามตบพูดไทยก็ถูกผู้หญิงไทยดา่าพูดญี่ปุ่นผู้หญิงญี่ปุ่นก็ยิ้มและพยักหน้าแต่สามีของหล่อนได้ยินเข้าไล่เอาซามูไรฟันหัวคิดละเขาเก่งเฉพาะการรบเท่านั้นล่ะคุณเดินตายมาหลายสมรภูมิแล้วทั้งในเกาหลีแล้วก็เวียดนามต่างคําพูดของแม่ผมแดงเบล ทำให้รพินไทร์วันยิ้มออกมาได้จากใจจริงเป็นครั้งแรกคุณเป็นคนท่าเริงและมีอารมณ์ขันมากนะมิสมูเรีกฉันว่าเบซี่อ๋อครับขออภยัยเบคุณเป็นแพทย์หรือครับทำไมวาสนาฉันไม่ให้อย่าง้งเหรอท า, ทางของอิสเบลมูคล่องแคล่วและขี้เล่นไม่ใช่น้อยตาสีน้ำตาลสายแจ้ว คือเห็นครั้งแรกผมคิดว่าคุณเป็นดาราภาพยนต์อิตาเลียนใช่มากกว่านะครับว้าวรอนร้องหันไปมองหน้าเพื่อนสาวแล้วหัวเราะจนอกกระเพื่อมฉันก็เกือบจะเป็นอย่างคุณว่าเหมือนกันแหละตอนอายุสิบเจ็ดพ่อไม่เอาไม้เบสบอลไล่ตีฉันจนต้องวินน่งหนีไปนอนอยู่ในสวนสาธารณะและรุ่งเช้าตำรวจจับตัวเอามาส่งที่บ้าน จํานชำนานในทางอายุรเวชโดยเฉพาะโรคเมืองร้อนแล้วก็เรียนแยกสาขาไปทางตรวจดินตรวจแร่เรียนพูดเป็นต่อยหอยวนคุณน่าจะเป็นครูมากกว่าเป็นนักเคมีฟิสิกส์นะครับพรานใหญ่หันไปพูดกับคริสแม่ผมทองผู้มีลักษณะเยือกเย็นเคร่งขึงยิ้มมุมปากฉันก็เคยสอนอยู่ในฮาวาดพักนึงนะ ด็อกเตอร์สแตนลีย์ก็เรียกตัวฉันเข้าไปทำงานร่วมกับเขาเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูแต่คงไม่ใช่เพื่อสัมติกระมังครับกระพินต่อข้อความหล่อนมาโดยเร็วแล้วหันไปทางคิดถามว่าคุณคงเป็นทหารที่รบเก่งใช่ไหมครับผมคิดว่าผมเก่งหนีเสียมากกว่าเลยรอดตายมาได้จนทุกวันนี้พระเอกลารีคิดพูดหน้าตาเฉย แววตามีแววเยาะโสแล้วพินหัวเราะเบาๆคนสุดท้ายเขาหันมาทางดรบินสแตอร์ลีสำหรับคุณคงจะเป็นศาสตราจารย์ที่มีดีกรีต่อท้ายขั้นด็ตอร์หลายๆสาขาวิชาการกระมังครับสเตอร์ลีหัวเราะคุณทพินผมหรือพวกเราทุกคนจะเป็นอะไรนะมันไม่สําคัญหรอกคุณแล้วทุกคนหวังที่จะเป็นเพื่อนกับคุณ หวังที่จะให้คุณช่วยนำทางให้จากความสามารถของคุณที่ท่านนายพลรับรองและเราก็เลื่อมใสศรัทธาในตัวคุณมากพวกเราสี่คนเป็นตัวแทนของรัฐบาลสารัฐส่วนคุณและพันตรีเชิดวุฒเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไทยเราจะไปทำงานที่ทางรัฐบาลของผมและของคุณถือว่าเป็นงานสำคัญที่สุดในครั้งนี้ด้วยกันกรุณายืนยันเพื่อความหวังแกเราสักครั้งเถอะครับ ว่าคุณเต็มใจจะร่วมงานในครั้งนี้ระพินไพรวันแกว่งแก้วรันดีในมือช้าๆแล้วยกขึ้นจิเมริมฝีปากเขาถอนจากแก้วเขาพูดขึ้นราบเรียบเป็นภาษาอังกฤษชัดเจนในรูปประโยคที่ทุกคนตะลึงงันในความหมายว่าผมอยากจะพูดว่าพวกคุณ อเมริกันทุกคนควรจะไปลงนรกเสให้หมดนี่คือใจจริงของผมครับโอโก็ค oh ริสตินากรูบิลอุทานออกมาหน่าซีดพงกตัวนั่งตรงลาีิริสสะบดอะไรออกมาคำานึงอิซาเบลูทําท่าเหมือนจะไม่แน่ใจในหูของตนเองดอกเตอร์บินสเตรลี่สงบนี่ขคอแข็งตาหลีลง หันไปมองหน้าท่านานายพลวิชัยซึ่งตะลึงหน้าซี่อยู่เหมือนกันความเงียบบกคลุมไปชั่วขณะหนึ่งนี่เขาพูดว่างไงนะฉันไม่แน่ใจว่าหูจะฝาดไปหรือเปล่านะเนี่ยในที่สุดแม่ผมแดงก็เอ่ยขึ้นเสียงต่ำๆเหมือนจะรำพึงกระตนเองพันตรีเชิดวุฒิไกรรณยุทธลุกขึ้นยืนช้าๆเดินแยกออกจากโต๊ะชุด ไปที่โต๊ะทํางานของนายอําพลซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างนะกหย่อนกายลงครึ่งนั่งครึ่งยืนบนขอบโต๊ะนั้นควักบุหรี่ออกมาจุดสูบช้าๆแล้วพูดเสียงห้าวๆว่าเบคุณไม่ได้หูฝาดไปหรอกระพินก็พูดเช่นนั้นจริงๆส่วนผมหรือคนไทยทุกคนที่รู้เรื่องนี้ก็อยากจะพูดเหมือนระพินเหมือนกันเพียงแต่ไม่กล้าพูดเท่านั้นล่ะ บุตนี่แกเป็นบ้าไปด้วยอีกคนแล้วเหรอท่านนายพลหันมาร้องตาวาดลูกชายเบาๆเชิดบุตรเบะปากและถมเศษใบายาของปลายบุรีที่ติดริมฝีปากลงไปกับพื้นไม่พูดอะไรอีกแต่เดินไปนั่งที่เก้าอี้ชุดบริหารของนายอัมพลผู้ซึ่งนั่งรวมกลุ่มหน้าจอยเหลือสองนิ้วมองคนโน้นทีคนนี้ทีอยู่เช่นนั้นนายทหารหนุ่มทศของบิดาตนเองหมุนเก้าอี้ตัวนั้น หันหน้ามองไปทางหน้าต่างสงบเฉยรพินหันไปยกมือไหว้ท่านนายพลพูดเบาๆอย่างอ่อนโยนว่าท่านครับผมต้องกราบขออภัยท่านนะครับที่พูดออกมาตรงๆเช่นนี้ต่อหน้าท่านครับและจอมพลก็หันไปทางคณะอเมริกันทั้งสี่คนที่กำลังเพ่งตามาที่เขาเป็นจุดเดียวกล่าวช้าๆต่อไปว่า ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษแห่งสหรัฐที่รักครับทำไมระเบิดลูกนั้นมันถึงไม่ไปตกที่ทำเนียบขาวที่เครมลินหรือที่ปักกิ่งเส่รู้แลว้วรู้รอดล่ะครับทำไมมันถึงจะต้องมาตกในเขตประเทศของผมหรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับผมด้วยพวกท่านตอบได้ไหมครับลาริขีทันท่าจะถลันขึ้นยืน หน้าแดงกำแต่สตลีกดไหลไว้ตวาดเบาๆอ่ะอีสิคิดแล้วหัวหน้าคคนาก็หัวเราะออกมาอย่างอารมณ์เย็นมองไปยังพักพวกของตนทุกคนเอ่ยขึ้นว่าสุภาพบุรุษผู้นี้เป็นคนจริงที่น่านับถือคนหนึ่งผมยอมรับว่าผมชอบนิสัยของเขาครับเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าหาญ แล้วก็ตรงไปตรงมาบุคลลักษณะนี้แหละครับที่เราต้องการบา้าใหญ่โอหังคิดคำรามลั่นออกมากงหมัดแน่นระเพินดื่มแบรนดีจนหมดแก้วแล้วลุกขึ้นยืนอย่างสงบยิ้มกับพันเอกคิดพยักหน้าบอกอย่างสุภาพว่า ถ้างั้นการุณาลงไปพบกับผมข้างล่างสักครู่ได้ไหมครับคุณคิดทิระอ๋อได้สิท่านเอกคิดร้องเกิดโรกรขยับจะปรีเข้ามาแต่สเา ล, ลีล็อกตัวไว้ได้ก่อนร้องห้ามลั่นแม่สาวสองคนร้องออกมาอย่างตกใจพุทลุกขึ้นยืนช่วยกันเข้ามาห้ามปรามจับยึดตัวนายเสยนาธิการเอาไว้ทามต่างการพรุตสวาดดาทอเล็ดดิ้นสะบัดหืดนัดของคิด ทุกคนในห้องแตกตื่นพากันยืนขึ้นหมดแม้แต่ท่านนายพลเองกันตรีเชิดวุฒกระโจนพรวดกขามากันรพินไว้ร้องออกมาละล่ำละลักอย่างลืมตัวไปหาดิยังไม่ทันจะร่วมทางกันเลยจะฟาดปากกันซะแล้วรพินไอตัวนั่นน่ะมันยักษ์แกร่แจ้งทีเดียวนะคุณไปเท้าทำไมล่ะคุณฮช้างรีแรคแต่ตัวใหญ่กว่านายคิดนี่มากนะครับ ผมไม่มีทางจะปฏิเสธการเป็นขี้ข่านำทางให้พวกนี้หรอกแต่ก่อนไปก็อยากให้เขารู้จักคนไทยไว้เสบ้างตามสมควรเอาล่ะผมจะไปรอยอยู่ข้างหลังประเดี๋ยวคุณบอกให้พวกนั้นปล่อยตัวนายคีทให้ตามผมลงไปนะคุณว่าแล้วกระพินไทยวันก็พยายามจะเดินเลี่ยงปรีกตัวออกไปจากห้องนั้นแต่เชิดวุฒกอดไว้แน่น พอดีกับที่นายพลแล่นปราดก็ามาขวางหน้าอีกคนนึงตัวสั่น ง, งันงกคุณทัรพีนโธทาไมถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นได้ล่ะคุณเห็นแกผมกับท่านนายพลเนอะผมกราบว่าอ้าวผมก็ขอกราบท่านนายพลแล้วก็คุณอ้ำพลเหมือนกันครับผมเองนะแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นขี้ข่าฝรั่งในฐานะพรานนําทางมานานแล้ว วันนี้ขอเตะฝรั่งให้จังเบอร์สักทีเหอะอยากดูเหมือนกันไอตัวใหญ่ๆอย่างนี้นอะเวลาล้มมันจะดังสักแค่ไหนปะโถมันดูถูกคนไทยมันคงเห็นว่าผมตัวเล็กเท่าลูกหมามันคุยว่ามันผ่านมาแล้วหลายสมรภูมิผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันแข็งพอที่จะบุกปากกับผมได้ไหมก็ต้องทดสอบกันดูหน่อยไอตัวใหญ่ยักษ์อย่างนี้นะมันหลายตัหลายตัวมาแล้ว เขาพาปีนเขาลงห้วยแค่ครึ่งวันเท่านั้นหละร้องเจีย้ยลินห้อยลงคลานสีขาเรียกหาพระเจ้ากันให้วุ่นไปหมดแล้ว ก, ก็พูดข้ามหัวนายอัมพลเป็นภาษ า, ษาอังกฤษไปยังพันเอกคิดผู้กำลังฮึดหนา ด, ดิ้นรนอยู่ทามกลางการจับยึดห้ามปรามของพรรคพวกเฮคิด hey, ไม่ว่าคุณจะฆ่าคนเอเชียมาแล้วสักกี่ศพไม่ว่าคุณจะผ่านสมรภูมิอินโดจีนมาแล้ว ชนิดไดเรียนฝ่ า, าหารกี่เหรียญมันไม่เหมือนกับการเดินป่าไปกับผมครั้งนี้หรอกคุณแล้วมาลองดูกันง่ายๆแต่คุณฝ้ากับผมลูกไม่นอนได้คุณเดินป่าครั้งนี้ได้อย่างสบายมากแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายลงไปนอนถึงแม้ว่าคุณจะเป็นตัวแทนที่รัฐบาลคุณเลือกมาแล้วก็ตามผมขอถอนสิท์คุณไม่ยอมให้คุณไปด้วยตกลงไหมตกลง ปล่อยตัวเชียมารุมจับตัอยู่ทำไมไปประโยคหลังคีดหันไปตวาดกระพักพวกสามคนที่กลุ่มรุมยืดตัวไว้เสียงแม่มสาวสองคนร้องพีสกันให้วุ่นไปหมดแต่คิดไม่ยอมคงสะบัดตัวอย่างดุร้ายอยู่อย่างนั้นในที่สุดเบลก็ตวาดลั่นพร้อมกับตบหน้าชาดได้ผลสักสิ์อย่างมหัศจรรย์ยิ่ง อันเอกคิดยืนนิ่งในบัตรดนุนเดี่ยซสิ้เด้ดาแม่ผมแดงเตาวาดซ้ำอเมริกันร่างยักษ์สุดกายลงนั่งอย่างสงบหันไปรินแบรนดีระพินไคลวันซ่อนยิน้มยังคงยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งท่านนายพลมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาคิดว่าท่านคงจะขุนเคืองมาก แต่ปรากฏว่าสีหน้าของเจ้ากรมข่าวเยียบเย็นเป็นปกติตบไหลเขาเบาๆพูดเรียบๆด้วยน้ำเสียงกรุณาว่านั่งลงเถอะระพินสัญญาณแห่งการรุนแรงทางด้านการประทะกันด้วยคารมและทำท่าจะล่วงเลยไปถึงการใช้กำลังกายสงบลงเหลือไว้แต่ริ้วรอยแห่งความไม่พอใจที่แสดงออกทางแววตาของพันเอกลารคิด ผู้นั่งหน้าเครียดเฉยไม่เ อ, อ่ยอะไรทั้งสิ้นในระยะนี้ตรงข้ามกับพระพินซึ่งไม่ได้มีอะไรผิดปกติในข้าวหน้าหินของเขาระยะเวลาระหว่างนี้ทุกคนที่ร่วมวงอยู่ทําหน้าที่พูดจาไกลเกลียยกเว้นพันตรีเชิดวุฒิไกรรณยุทธเพียงคนเดียวเหมือนกันที่นั่งเฉยๆคนที่พูดเพื่อไม้จะเอาใจเขามากที่สุดคือหัวหน้าคณะ ด็อตอร์บินสแตลลี่และคนที่คอยกำราดคิดไว้คือแม่สองสาวผมต่างสีกันสำหรับอิสเบลลมูดูเหมือนจะเป็นที่พอจะสังเกตเห็นได้แล้วสำหรับประผิดว่าคงจะมีอะไรอะไรอยู่กาเจ้าคิดนั้นบ้างแต่จะลึกซึ้งเหนียวแน่นขนาดไหนก็ยังเดาไม่ออกรู้แต่เพียงว่านายผมทองอนายผมทรงลานบินค่อนข้างจะเกรงใจเจ้าหล่อนอยู่ครามครัน และภายหลังจากที่หล่อนทำหน้ายุ่งกระซิบพูดอะไรกันซุบซิบครู่หนะึ่งคิดก็ยิ้มแค้นคนส่งมือมาให้เขาจับเอาละเพื่อนยากลืมมันซะเถอะผมเสียใจด้วยถ้าหากผมจะทำอะไรไม่เป็นที่สบอารมณ์คุณนายทหารเสนาธิการพูดน้ำเสียงบักกระติกขึ้นพรานใหญ่แต่ตัวเล็กจับมือตอบ เพื่อเห็นแก่ความสบายใจของทุกคนคราวนี้นายคิดลอบเล่นงานเขาเงียบๆอยากสีหน้ายิ้มทันทีโดยใช้กำลังฝ่ามือบีบมือเขาเข้นแน่นเหมือนจะเป็นการข่มขวัญลองเชิดนายพันเอกอเมริกันคนนั้นรู้จักอดีตร้อยตำรวจเอกระเวนชายแดนไทยน้อยเกินไปรื่จะพูดให้ตรงก็คือไม่รู้จักเลยรพินไม่จาเป็นจะต้องออกแรงบีบมือประลองกาลังให้เสียเวลา เพราะข้อลำและฝ่ามือของเขาก็เล็กกว่าหมอนั่นมากนะักจึงใช้กลยุทธสถานเบาของคอมมานโดแท็กติกโดยการทำเป็นเอามือซ้ายกุมคล่อ ม, มลงไปบนหลังมือของคิดข้างที่บีบเขาไว้อย่างหมายจะเค้นให้หมดเชิงชายเดี๋ยวลอบหักนิ้วหัวแม่มือของนายคิดโดยไม่มีใครสังเกตเห็นจากหลักของยิวยิสูคิแยกเขี้ยวสะดุ้งโยงรีบกระชากมือกลับไปทันทีด้วยความเจ็บปวด รพิงยิ้มให้พร้อมกับขยิบตานิดนึงพูดเรียบเรียบกับทุกคนว่าครับผมก็เสียใจเหมือนกันครับแต่ผมเป็นคนพูดตรงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอ้อมค้อมหรือเก็บความในใจอะไรไว้ครับไอการพูดตรงของผมนะอาจจะไม่เป็นที่พอใจของพวกคุณก็ได้แต่มันจะเป็นเครื่องหมายรับรองได้ว่าในหนทางที่ผมจาเป็นจะต้องเป็นมรคุเทศให้แก่พวกคุณผมซื่อสัตย์เสมอ และถ้าพวกคุณไม่พอใจผมก็พร้อมเสมอครับที่จะปรีตัวเพื่อให้คุณหาพรานนำทางคนอื่นได้ตามความพอใจคริสจ้องมาที่เขาแววตาลึกของหล่อนเหมือนน้ำใสที่มองไม่เห็นก้นเบื้องล่างมันเย็นเหมือนหิมะที่ปกคลุมภูเขาไฟความรู้สึกบอกกับเขาเช่นนั้นหยิบบุหรี่บนโต๊ะขึ้นมาทาทีเป็นแกล้งเคาะกหลังเล็บระเพินทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เชิดพุดช ง, งกตัวไปจุดไลเตอร์ลนให้หล่อนพึนพมพำขอบคุณแล้วพูดต่อว่าแต่คุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าเราจำเป็นย่าต้องพึ่งคุณในเรื่องนี้พวกคุณหวังไว้อย่างนั้นเองแต่พวกคุณอย่าพึ่งผมไม่ได้เลยก็ได้มันอาจจะเนื่องมาจากผมไม่มีความสามารถพอไงครับท่านไอ้พลครับ สเตลีหันไปทางเจ้ากลมข่าวท่านได้พูดกับเขาแล้วหรือยังล่ะครับว่าเราจะเขาจะได้รับค่าตอบแทนในเรื่องนี้เป็นเงินสักเท่าไหร่คุณสเตอลีไห้เหลืองเงินที่มันพูดกระพินไม่ได้รอบคุณเรื่องนี้น่ะพลโทวิชัยเอ่อย่างอึดอัดคุณกระพินน่ะเขารับปากกับผมที่จะทํางานร่วมกับพวกคุณในครั้งนี้ ก็เพราะสำนึกในความรักชาติรักเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วก็สัตว์แถบนี้เท่านั้นแต่เราก็ไม่ได้ต้องการให้เขาเหนื่อยเปล่านี่ทุกคนในโลกนี้ทำงานควรจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านี่เบลกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเรื่อยจืยของหล่อนไม่มีเจตนาจะหมายความว่าอะไรมากนะักแต่ก็ไม่แน่นะครับกระพินตอบสวนควัน โดยหลักการธรรมดามันก็ต้องเป็นอย่างที่คุณพูดและผมก็ไม่ปฏิเสธในค่าจ้างของฝ่ายคุณแต่นี่นว่าผมไม่รู้เหรอว่าคนที่ทำงานร่วมกับ CIA บางคนก็ได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่เขาไม่คาดหวังมา ก, ก่อนเป็นต้นว่าลูกปืนหรือการทำให้วิบัติฉีบหายโดยสารพัดวิธีเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาความลับในงานนั้นไว้และผมก็อาจจะเป็นคนหนึ่ง พี่กล่าวมานี่ก็ได้คุณธปินครับหัวหน้ า, นาคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์กระแอมขึ้นแล้วขยับตัวชะโงกหน้าเข้าไปใกล้เขาพูดช้าๆแต่เน้นหนะักเราขอปฏิเสธนะครับเพ่าพวกเราทั้งหมดสี่คนนี้ไม่ได้สังกัดอยู่ใน CIA แต่เราขึ้นตรงกับประธานาธิบดีในงานลับสำคัญสุดยอดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ และการติดตามกู้ระเบิดลูกนั้นนอกจากป้องกันผลเสียแห่งประเทศเราแล้วเรายังคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้งอีกด้วยระเบิดลูกนั้นนะ่ะอาจจะเปลือกแตกหรือรั่วออกกำมะถันภาพรังสีก็อาจจะกระจายออกมาได้มันมีอันตรายมากนะครับคุณเองก็บอกกับเราอยู่แล้วว่าระเบิดลูกนั้นไม่ได้ตกสูญหายอยู่ในเขตที่เราจะต้องเดือดร้อนอะไรเลย แต่เราก็มีสำนึกครับเรามีสำนึกที่จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่โดยการนำภัยชนิดนี้ออกไปให้พ้นบริเวณนี้ให้ได้เราขอสาบานครับให้คุณวางใจได้ว่าเราจะไม่มีอุบายโศกรปรกอะไรกับคุณเป็นอันขาดนี่นะมันเป็นการตกลงร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล น, นะครับไม่ใช่บุคคลกับบุคคลใช่ระพิน มันเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลท่านนายพลเสริมมาโดยเร็ว ร, วรพินไทยวันไม่ได้หันไปสนใจทางท่านเจ้ากรมข่าวแต่ยังมองประสานตาอยู่กับสตาลีนี่คุณจะมีอุบายสกรปรกหรือไม่มีอุบายอะไรก็ตามนะครับผมไม่สนใจหรอกแล้วก็ไม่แคร์ด้วยไอชีวิตผมไม่ได้มีค่าอะไรนรักละคุณ แต่ชีวิตสี่คนของพวกคุณน่ะมีค่ามากกว่าผมมากเมื่อรับก็จะนำทางให้ผมก็จะทำตามที่พูดว่าแต่ผมยังมีข้อข้องใจยอยู่หลายประการนะเชิญคุณสักถามได้เลยครับเราจะตอบคุณให้กระจ่างที่สุดเท่าที่เราจะสามารถอธิบายได้ครับผมทราบจากท่านนายพลว่าพวกคุณมีแผนที่โดยสังเขป แสดงบริเวณตึบของ b หีห้สองลำนันใช่ไหมครับใช่เรากะสเกลได้โดยคร่าวๆว่ามันควรจะอยู่ในแถบไหนซึ่งถ้าเอามาให้คุณดูและร่วมปรึกษาหารือกันเราเชื่อว่าคุณผู้ซึ่งชำนาญในการเดินป่าแถบนี้อยู่แล้วจะต้องนำเราเข้าไปถึงต้นแหล่งได้เบนพูดแทรกขึ้น แ, และผมจะเห็นแผนที่คุณเมื่อไหร่ล่ะ ก่อนการออกเดินทางฝ่ายเราก็คุณจะต้องศึกษาถึงแผนที่ีร่วมกันอย่างใกล้ชิดที่สุดตอนนั้นถ้าคุณสงสัยอะไรนะคุณถามเรามาแล้วเราสงสัยอะไรเราก็จะถามคุณพื้นฐานการศึกษาที่ดีของคุณนะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประกอบกับความชํานาญในภูมิประเทศจะทําให้เราสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีแล้วก็สําเร็จผลได้คริสกล่าวขึ้นบ้าง ขณะนี้ดูเหมือนสองแมมสาวจะมีหน้าที่เจรจามากกว่าบุรุษอีกสองคนแล้วขอบข่ายในหน้าที่ของผมมันมีอะไรบ้างล่ะครับงานของคุณก็คือนําเราให้ไปพบกับตําแหน่งตกของบีห้าสิบสองลำนั้นโดยเร็วที่สุดแล้วก็โดยปลอดภัยที่สุดเท่านั้นเรื่องอื่นๆเป็นหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะคุณไม่ต้องเป็นภาระ สองมือกันสาวผลัดกันตอบคำถามของเขาระยะนี้ทานายพลกับทอสอลูกชายนั่งฟังเฉย อ, อยู่เพราะทั้งสองฝ่ายต่างได้พบปะเจรจาในเรื่องงานกันโดยตรงแล้วและรู้สึกว่าพรานใหญ่ระพินป้อนคำถามติดต่อกันอย่างรวดเร็วเป็นงานเป็นการที่สุดชนิดที่ฝ่ายตรงข้ามบางครั้งก็อึ้งกิดและมองหน้ากันไปมาเหมือนจะหารือกันอยู่ในที่ ผมขอเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่มีความรู้ในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของพวกคุณมากนะักกว่าคนธรรมาดาคนหนึ่งจะรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะั้มันเป็นความลี้ลับทั้งสิ่งแต่ก็ขอบอกให้ทราบล่วงหน้าด้วยว่าหนทางที่จะเดินไปนั้นนมันก็ลี้ลับสําหรับพวกคุณเหมือนกันเอาละครับสมมุตินะครับสมมุติว่าผมทํางานให้พวกคุณสำเร็จครั้งนี้ คือ น, นําไปจนพบระเบิดลูกนั้นได้บอกผมหน่อยได้ไหมการกู้ระเบิดลูกนั้นจะทํำยังไงช่วยกันแบกกลับมามั้งพันธรีเชิ่ดบุตพึมพำเป็นภาษาไทยเบาๆอย่างคนอารมณ์ขนองกึ่งประชดแต่ฟังดูหางเสียงแล้วก็ไม่ได้ไปรชดระพินนอกจากจะพล่อยออกไปด้วยความหมุดหงิดใจมากกว่าแล้วก็ไม่มีใครสนใจกับคําพูดเล่นๆของนายทหารหนุ่ม ลักษณะเปิดเผยคบง่ายคนนั้นคราวนี้ทั้งแม่ผมทองและแม่ผมแดงมองไปทางหัวหน้าคณะของหลอนเหมือนจะให้ช่วยอธิบายแทนดเตอร์สแตนลีลูบมือเข้าหากันช้าๆคุณระพินในการเดินทางนี่นะเราจะมีบอลลูนขนาดใหญ่ติดตัวไปในการเดินทางครั้งนี้ด้วยและระหว่างเริ่มออกเดินทาง ก็จะมีวิทยุติดต่อกระสุนบังคับการค้นหาในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเมื่อเราพบลูกระเบิดนั้นในบริเวณใดก็ตามเราก็จะปล่อยบอลลูนนั้นลอยสูงขึ้นไปบนอากาศเพื่อเป็นสัญญาณให้นักบินที่จะร่วมมือกับเราอย่างใกล้ชิดและคอยสดับรับฟังข่าวจากเราตลอดเวลาได้เห็นเป็นเครื่องหมายเมื่อการค้นพบเป้าหมายกาหนดได้จากอากาศ การกู้ระเบิดก็ไม่ยากแล้วเราจะใช้คอปเตอร์ขนาดใหญ่ย่อนตัวลงมาทางภาค พ, พื้นดินก็อาจจะช่วยปรับทางพื้นที่เพื่อให้การลำเลียงขึ้นทางอากาศทำได้โดยสะดวกถ้าจำเป็นดอพินพยักหน้าครับผมบอกแล้วว่าผมนะ่าไม่มีความรู้อะไรเรื่องนี้มากนะักแต่ก็พอรู้ครับว่าอันตรายจากกำมันตาพารังสีที่ กระจายระเหย อ, ออกมา่ะย่อมมีขึ้นได้เสมอถ้าหากว่าเปลือกมันเกิดแตกหรือรั่วเราหมายถึงทั้งฝ่ายผมผู้นําทางและคุณฝ่ายกู้ระเบิดจะมีวิธีการป้องกันอันตรายจากกรมมันตะภาพรังสีนี้ได้ยังไงตอบได้ไหมครับมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคุณระพินถ้าเปลือกนอกแตกแต่เราก็มีวิธีที่จะค้นหา และป้องกันจากเครื่องป้องกันเกี่ยวกับการนี้อยู่แล้วล่ะเครื่องมือที่ใช้วัดกำมันตาภาพรังสีนี่คือ radiation survey meter จะเป็นเครื่องช่วยเราสองทางคือหนึ่งถ้าเราเข้าใกล้บริเวณที่มีกำมันตาภาพรังสีเจ้าเครื่องนี้ก็จะส่งสัญญาณบอกให้เราทราบทันทีโดยบอกปริมาณของกำมันตาภาพว่ามีมากแค่ไหน จะเป็นอันตรายต่อเราเพียงใดบ้างขณะเดียวกันก็จะชี้บอกทางให้เราค้นหาได้ง่ายขึ้นอีกแต่นั่นก็ต้องแปลว่าเราเข้าไปในรัศมีของมันแล้วส่วนข้อที่สองสืบเนื่องจากข้อหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าเข้าไปในระยะใกล้หรือเข้าไปปฏิบัติการยังบริเวณระเบิดลูกนั้นแล้วถึงตอนนั้นเราจะใช้เครื่องแต่งกายที่ป้องกันกำมันตภาพ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นดอร์สตาลีเป็นผู้บอกมาครับพวกคุณสามารถรู้รัศมีอันตรายและมีเครื่องป้องกันได้ก็แล้พวกผมละครับคุณระพินนั่นน่ะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยคุณเมื่อเราใช้เครื่องตรวจสอบค้นพบได้ซึ่งแปลว่าไม่ควรจะห่างจากบริเวณระเบิดลูกนั้นมากมายลนะ ฝ่ายเราก็จะเข้าไปตรวจสอบและปฏิบัติการโดยเฉพาะพวกคุณไม่เกี่ยวข้องเลยละ่ะแล้วเราก็มีวิธีจะแนะนำให้หลบออกห่างกรมันตภาพรังสีทางด้านไหนอย่างไรทางฝ่ายเราจะมีเครื่องแต่งกายที่ป้องกันอันตรายชนิดนี้เผื่อไปด้วยอีกสองสามชุดเพื่อสํารองไว้หากเราต้องการจะขอให้คุณร่วมมืออย่างใกล้ชิดในบริเวณที่ระเบิดลูกนั้นตกอยู่เราจะปล่อยให้พวกคุณที่ไปด้วยกัน ตกอยู่ในอันตรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงคุณพวกคุณไปด้วยกันทั้งหมดกี่คนนะครับสี่คนแค่นี้เลยครับหรือว่าจะมีเพิ่มเติมอีกคริสผูดเคร่งขรึมในท่วงท่ากิริยาแต่องค์าพยบเรือนร่างของหล่อนมันเป็นตรงข้ามเพราะมันเป็นส่วนทรงของหุ่นแห่งความใคร่ที่ทำให้บุริษเพศต้องคิดมากตอบมาว่า งานชนิดนี้น่ะไฟเราไม่ต้องการคนมากหรอกเราจะไปกันแค่สี่คนเท่านั้นแหละแต่ทางด้านคุณเน่ะอาจจะตั้งจำเป็นต้องใช้คนมากหน่อยแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะนำไปด้วยล่ะครับมีน้ำหนักประมาณสักเท่าไหร่ได้คำนวณกันแล้วหรือยังทั้งสี่คนมองหน้ากันอีกครั้งซุบซิบหารือกันเองแผ่วเบาครูใหญ่ด็อเตอร์สเตลีก็บอกว่า ก็คงไม่ต่ำกว่าเก้าร้อยปอนแล้วก็ไม่เกินพันปอนส่วนมากก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการนี้ที่หลีเกเลี่ยงไม่ได้ทั้งสิ้นครับขอใผมทราบโดยสังเกตได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างพระพินถามขึ้นอีกมันจําเป็นด้วยเหรอที่คุณจะต้องรู้ในอุปกรณ์ทํางานของเรามันเป็นเครื่องมือทางเทคนิคทั้งนั้นนะคุณ ที่ผู้ไม่พูดเลยมาตลอดระยะเวลาทะลุกลางปล้องขึ้นมาครั้งแรกระพินไม่มองหน้าอเมริกันโอหังคนนั้นแต่กลับมองไปทางร่อง อ, อกจากคอเสื้อรูปตัววีของแม่ผมแดงเบลซึ่งกำลังนั่งก้มตัวเหมือนจะอวดความงามของทรงอกให้คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเห็นอย่างจงใจปากก็พูดหุนหวนว่า น้ำหนักของที่คุณจะเอาไปด้วยนะ่ะเป็นเครื่องมือทางเทคนิคส่วนการเดินทางในป่าก็เป็นเทคนิคของผมเหมือนกันผมจำเป็นจะต้องรู้เพราะจะได้กำหนดแรงคนได้ถูกต้องขอให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับว่าเราไม่ได้ไปด้วยเครื่องบินลำเลียงรถไฟรถบรรทุกหรือแม้กระทั่งเกวียนแต่เราไปกันด้วยแรงคนหาหามต้องปีนเขาลงห้วย ไปนผะามุดถ้ำแล้วก็อาจจะต้องเผชิญกับภัยต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำมันตะภาพรังสีซึ่งก็ยังดังไม่ถูกว่าจะเกิดขึ้นในสภาพไหนยังไงบ้บางป่าแถ บ, บนี้นะ่ะเป็นดงดิบดงดึกดำบันยิ่งลึกเข้าไปก็ยิ่งไม่มีใครสำรวจถึงเดินกันไม่สะดวกไม่เหมือนกับเดินอยู่บนถนนในนิวยอร์กหรอกคุณคิดจุ ป, ปากชักจังไม่พอใจ พูดห้วนๆต่อมาว่านี่คุณพินพวกเราทุกคนเคยเป็นนักเดินป่าและก็พันชนภัยกันมาแล้วทุกคนแต่ละคนี่มีขีดความสามารถสูงสุดไม่งั้นก็ไม่ถูกเลือกตัวมารอประพินหันไปทางพันธ์รีเชิดบุตรแล้วบุยปากไปทางพันเอกอเมริกันผู้กล้าสงคราำก็เห็นคุยแค่ น, นี้ทุกรายแล้วครับเวลาจะให้ผมเป็นคนนําทางเข้าป่าแล้ว แล้ผลสุดท้ายก็ลงครานสี่เทาทุกรายเหมือนกันเปล่าจบก็หันมาทางคิดมองประสานสายตาพวกคุณนเป็นนักเดินปา่านักผจญภัยมาแล้วทุกคนผมยินดีด้วยครับแต่ขอโทษนะครับคุณเคยเดินป่าแถบนี้มาก่อนหรือเปล่าก็ไม่เคยนะสิถึงได้ไมาให้คุณมาคนนำทางไงอีกฝ่ายกระชากเสียง ก็เมื่อไม่เคยทำไมถึงอวดดีล่ะครับทำไมไม่ฟังผมบ้าง น, นี่นี่นี่หุบ ป, ปากสักทีได้ไหมคิดคริสพูดกับเพื่อนชายเสียงเย็นลักษณะเป็นผู้ใหญ่ไม่แพ้ด็อกเตอร์สแตนลีย์หัวหน้าคณะทั้งทั้ ง, ท, งที่ดูผิวหน้าสวดทรงแล้วอายุก็ไม่ควรจะเกินสามสิบสองปีเป็นอย่างสูงนายนั่นนั่งนิ่งไปอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงหันไปยิ้มกระรพินเหมือนครูยิ้มกับลูกศิษย์ กล่าวเสียงอ่อนเบาตามนิสัยว่าของที่เราจำเป็นจะต้องเอาไปด้วยก็มีพวกเครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะขนาดต่ละชิ้นก็ไม่เกะกะมากนักหรอกแต่รวมๆกันแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักนอกจากนั้นก็ยังมีของใช้ประจำตัวสำหรับเดินปา่าอาวุธเครื่องกระสุนเวชภัณฑ์สเบียงประเภทเรชันรวมแล้วก็มีน้าหนักขนาดที่ดรสเตลลีย์บอกคุณนั่นแหละ ระพินหัวรอหึหงในลําคอเครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้ทางเทคนิคโดยเฉพาะนะผมไม่ขัดข้องรอกเครื่องเวิชาพันก็ไม่ขัดข้องสาหรับเรื่องอาวุธและเครื่องกระสุนอยากให้พิจารณาเอาไปเฉพาะเท่าที่จําเป็นสําหรับการป้องกันตัวจากสัตว์ป่าอย่างเดียวเท่านั้นรับรองได้ครับว่าในเส้นทางที่ผมจะนําพวกคุณไป จะต้องไม่ทําสงครามสู้รบกับคนที่ถือปืนเป็นอันขาดในส่วนะเบียงหรือเครื่องใช้ส่วนตัวนะ่ะผมก็ต้องการจะให้ตัดทอนลดปริมาณและน้ําหนักลงให้มากที่สุดเพราะมิฉะนั้นก็จะเป็นภาระสําหรับฝ่ายผมเกินจําเป็นพวกคุณมาครั้งนี้นะ่ะเป็นการมาทํางานสําคัญเพื่อประเทศชาติของคุณส่วนผมก็ไปทํางานเพื่อประเทศชาติของผมเหมือนกันขออย่าให้เป็นการไปเที่ยวปิกนิก นี่ฉะนั้นมันจะไม่สำเร็จผลถ่งเวลายุ่งยากเป็นภาระและผลที่สุดก็จะต้องไปทิ้งเักลางป่าอย่างเปล่าประโยชน์ผมขอพูดไว้ให้พิจารณากันเองถ้าเป็นไปได้นะครับขอความการุณาอยากจะให้ลดน้ำหนักลงเหลือซักไม่เกินเจ็ดร้อยปอนจะคล่องตัวขึ้นมากครับแต่เรามีงบประมาณไม่อั้นนะในการที่จะจ้างลูกหาบซักเท่าไหร่ก็ได้ เร่งร้องเสียงสูงมาลักษณะของหล่อนออกจาเป็นคนเจ้าสำราญอยู่สักหน่อยดูได้จากกิริยาท่าทีแล้วหูตาที่พราวสัะพังไปหมดครับงบประมาณน่ะไม่อันแต่จํานวนคนที่ผมจะหาได้น่ะมันจํากัดครับคนยิ่งมากเท่าไหร่การเดินทางแทนที่จะคล่องตัวรวดเร็วกลับจะยิ่งชักช้าแล้วก็เป็นภาระสําหรับผมเพิ่มขึ้นเท่านั้นครับ เพราะผมมีหน้าที่จะต้องคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกคนที่จะร่วมเดินทางไปด้วยแต่เราคุ้มครองตัวเองและก็พวกลูกหาของคุณได้นะคริสพูดอย่างมั่นใจและทรนูกระพินเบิกตานิดนึงเอามือแตะริมฝีปากมิสโรบินครับคารุณาเถอะครับโตจะพูดเช่นนั้นอีกเลย เมื่อเราเดินทางไปด้วยกันแล้วพวกคุณจะเข้าใจได้ดีที่สุดโดยที่ผมไม่ต้องอธิบายอะไรเดี๋ยวนี้ครับเรามีงบประมาณไม่อั้นนะในการที่จะจ้างลูกหาบสักเท่าไหร่ก็ได้เบรอมเสียงสูงะลักษณะของหล่อนออกจาเป็นคนเจ้าสำราญอยู่สักหน่อยดูได้จากกิริยาท่าทีแล้วหูตาที่พราวสะพังไปหมดครับงบประมาณนะไม่อั้น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 การกู้ระเบิดเป็นงานของทางฝ่ายท่านระพินจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยและจะปฏิบัติตามแต่ท่านจะขอร้องเท่านั้นแต่การเดินทางไปให้ถึงจุดหมายเป็นหน้าที่ของระพินเขาในฐานะผู้นำทางเพราะฉะนั้นพวกท่านก็คงจะต้องฟังเหตุผลของเขาบ้านผมคิดว่าเราจะร่วมมือกันได้ดีในเมื่อต่างฝ่าย ยอมรับฟังเหตุผลและหน้าที่รับผิด ช, ชอบของแต่ละฝ่ายใช่ไหมเชิดวุธประโยคสุดท้ายท่านหันมาพูดกับลูกชายเหมือนจะให้ช่วยสนับสนุนแต่ทศของท่านเองกลับหัวเราะเบาๆพูดออกมาเป็นภาษาไทยว่าผมน่ไม่มีความเห็นอะไรหรอกครับคุณพ่อแต่ฟังกระพินซัดไอ้พวกนี้นะ่ะมันถึงใจพระเดชพระคุณดีแท้ มันเป็นบ้าเลยโอเคโอเคดรอร์สตาลีหัวหน้าคณะยกมือทั้งสองขึ้นก็เป็นอันว่าพวกเราตกลงจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่คุณรพินทักท้วงมานี่อีกครั้งและจะพยายามจัดสรรให้เป็นไปตามที่เขาต้องการมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาเที่ยวมาปิกนิกหรอก แต่เรามาทํางานอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือครับระพินพูดมุมปากมีรอยยิ้มนิดๆท่านคิดว่าการไปกู้ระเบิดนิวเคลียร์ครั้งนี้เนะี่ยพวกท่านเสี่ยงสักกี่เปอร์เซนต์ครับก็ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซนตไม่มากไปกว่านั้นหรอกเพราะเราชำนาญอยู่แล้ว กรรนตะภาพรังสีใช่ไหมครับใช่แล้วท่านไม่ถามผมบ้างเลยครับเอาเฉพาะการเดินทางไปเพื่อค้นหาในครั้งนี้นะ่ะว่าฝ่ายผมในฐานะารานำทางนะ่ะมีความเห็นว่าเสี่ยงสักกี่เปอร์เซ็นต์เอาละงั้นเราถามคุณทั้งสี่คนพูดพร้อมกันราวกันนัดกันไว้ เสียงต่อเส้นทางเดินและสารพัดพิษภัยในดงดิบ 95% ครับเพราะผมก็ชำนาญในด้านนี้เหมือนกันทุกคนนิ่เงียบมีอาการเหมือนจะตะลึงไปกล่าวจบระพินไพรวันลุกขึ้นยืนขออภัยทุกๆ ท, ท่านนะครับผมขอตัวลงไปข้างล่างสักครู่นะึงอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมจะขึ้นมาใหม่ ระหว่างนี้เชิญหารือกันไปตามลำพังก่อนนะครับอ๋อคุณอัมพลประเดี๋ยวการุณาออกไปพบผมข้างนอกหน่อยนะครับทุรส่วนตัวระหว่างเราสองคนยังไม่เรียบร้อยเลยประโยคหลังเขาหันไปกล่าวกับนายอัมพลผู้อำนวยการบริษัทไทยไวล์ไลฟ์ผู้บรินาอัมพลพยักหน้าเ ง, งึกๆรับคำท่านใหญ่ก้มศีรษะให้ทุกคนนิดนึงแล้วหมุนตัวเดินก้าวยา ว, ยาว ออกไปจากห้องนั้นพอร่างสันทั์ปรัดเปรียวนั้นลับตาออกไปทุกคนที่นั่งอยู่ในนั้นก็มองหน้ากันไปมาอีกครั้ ง, งผมไม่ชอบหน้าอหมอนี่เลยพับผ่าดิคิดเปรยขึ้นเฉียบขาดแข็งกล้าวแต่ลักษณะเป็นคนสื่อสัตว์ดีสแตลลีพึมพังไม่สูง แต่ว่าคลัมและหน้าตาดีนะเบลเอ่อยยิ้มยิ้มมองตามหลังไปจนร่างนั้นลับประตูประโยคสุดท้ายเหมือนจะกระซิบ ก, กับตนเองหึเข้าท่าทีเดียวแหละฉลาดคมชาชานแล้วก็พูดอังกฤษได้ดีเหลือเกินนี่เขามีครอบครัวหรื อ, อยังนะเนี่ยคริสพูดช้าช้า หันไปถามนายอัมพลผู้เป็นเจ้าของสถานที่ผู้มนวยการบริษัทส่งศัตว์ออกต่างประเทศยิ้มแห้งๆอ้อมแอมว่ายังครับลระพินทำไม่สนใจเรื่องอครอบครัวลระเขาทา ง, งานหนักกลางป่ามาตลอดเวลาแต่ผมรับรองได้ครับว่าคนคนนี้นเป็นคนดีจริงๆหากพวกเขาได้เขาเป็นหากพวกคุณได้เขาเป็นครานนำทางไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ส่วนพันตรีเชิดวุฒิหันไปทางบิดาพูดภาษาไทยแผ่วเบาว่าคุณพ่อเห็นหน้าครั้งแรกนี่ผมก็ไม่ถูกชะตาเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ได้ยินหมอนี่เข้ามาเจรจากาพวกนี้นะผมชัดจะรักเส็แล้วล่วะไอเสือนี่ได้ยินแต่กิติศัตท์เท่านั้นเจอตัวจริงก็เด็ดดวงกว่าเขาเล่า ว, ว่าใอีกพ่อผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วครับที่จะไปด้วยแน่นอน ถ้าได้มือขนาดนี้เป็นพรานนำทางให้มันได้อย่างงี้สินาะเหลือกินเลยท่านเจ้ากรมข่าวยิ้มออกมาอย่างพอใจแต่ไม่กล่าวอะไรเบล ม, มองไปทางนายทหารหนุ่มแล้วถามมาอย่างสนิทสนมว่าตะกี้คุณว่าอะไรนะเชิดวุฒิบ้าผมมีความเห็นมินคี้อ่ะคือไม่ชอบหน้านายคนนี้เท่าไหร่เชิดวิทยตอบหน้าตาย เอกคิดพยักหน้าด้วยรีกบอกมาโดยเร็วนั่นสิถามคุณของคนดูถามคนของคุณดูสิว่าพอจะหาคนนาทางอื่นที่นอกเหนือไปจากเจ้าคนนี้ได้มั่งไหมนายอภนมองหน้าลารีคิดอย่างไม่สุขอารมณ์นักนี่คุณผมหาคนนาทางที่ดีที่สุดให้พวกคุณแล้วนะแต่คุณยังไม่พอใจก็สุดแล้วแต่เอะน่คิด อย่าเอาแต่อารมณ์นกที่เบนหันไปอบรมกิริยาอาการของหล่อนร่าเริงอยู่ตลอดการแล้วก็จงให้เกียรติเจ้าของสถานที่ซึ่งเราจะมาขอพึ่งเขาบ้างเมื่อเขาเลือกคนนำทางให้กับเราก็แปลว่าเขาจะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วเธอชอบไหม่หมอนน่นเหรอคิดเร่องออกมาตามนิสัยอิเบลยักไหล่นิดนึงหัวเราะ อ, อกกระเพื่อม ก็ไม่เลวนี่ลักษณะของเขาเป็นคนท้าทายไม่ใช่เล่นทีเดียวแต่ฉันว่าเธอน่ะท้าทายก็าซะมากกว่านายผมทรงลานบินกระชากเสียงอย่างหงุดหงิดยกหลังมือขยี้จมูกแดงแล้วเอื้อมือไปสกิดเข่าหัวหน้าคณะแกบอกมีความเห็นว่าไง